3. ตติยะกะถินสิกขาบท 26. ถามทรงบัญญัตินิสักคียาปาจิตตีแก่ภิกษุผู้รับผ้าที่เป็นอาการละจีวรแล้วเก็บไว้เกินหนึ่งเดือนณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุหลายรูปถาม เพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปรับผ้าที่เป็นอากาและจีวรแล้วเก็บไว้เกินหนึ่งเดือนในตติยะกะถินสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติหนึ่งพระอนุบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัติหสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสองสมุดฐานคือ 1. เกิดทางกายกับวาจามิใช่เกิดทางจิต 2. เกิดทางกายวาจากับจิต